วิทย un, ุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอแเมกะเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดคิดนะครับรายการที่เปิดความคิดของเด็กๆนะครับแล้วก็รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนนะครับแล้วก็วิธีดูแลเด็กๆนั่นเองนะครับอยู่กับไอเช่นเคยนะครับในทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิถึง18 30นาทีนะครับทาง FM 89.5 ครับสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีของเรานั่นเองครับสัปดาห์นี้นะครับไอก็จะมี ประเด็นนะครับที่คิดว่าน่าสนใจนะครับเอามาพูดคุยนะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับผู้ปกครองแล้วรวมถึงนะครับคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับอยู่นะครับก็จะเป็นประเด็นที่มีชื่อว่าอยากให้เด็กคิดอย่างสร้างสรรค์นะครับผู้ใหญ่ต้องทําให้เห็นก่อนนั่นเองนะครับวันนี้ไอ้ก็มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับมาฝากกันนะครับ เรามาเริ่มพูดคุยกันในประเด็นนี้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับผู้ใหญ่บางคนในสังคมเราสมัยนี้เนี่ยนะครับก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยนะครับลำบากเหมือนพ่อกับแม่ในยุค ก, ก่อนๆ น, นั่นเองนะครับฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ก็จะบังคับให้ลูกเนี่ยนะครับเรียนหนักเข้าไว้เลยนะครับทำตัวยุ่งๆเข้าไว้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะไม่ลำบากตอนโต น, นั่นเองครับ เด็กๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เห็นกระบวนการใช้ความสร้างสรรค์หรือเราเรียกว่า creativity process นะครับของพ่อคุณแม่เลยนะครับแต่เด็กเนี่ยก็จะเห็นเพียงแค่การใช้ทรัพยากรนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศเท่านั้นแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับเห็นแต่เครื่องมือเฉยๆนะครับไม่ได้เห็นกระบวนการนั่นเองนะฮะก็อาจเป็นไปได้นะครับที่ลูกๆนะครับหรือว่าเด็กๆในบางครอบครัวเนี่ยนะครับจะฉายแววอัจฉริยะตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ก็ เขาเรียกว่าไม่ได้มีเครื่องรับประกันนะครับว่าเครื่องรับประกันอะไรใดๆเลยมายืนยันเลยว่าเอ้ยคนนี้นิอัชริยะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะเพราะว่ากระบวนการการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นนะครับจําเป็นต้องถูกถ่ายทอดนะครับแล้วก็ใช้เวลาบ่มเพาะนะครับแล้วก็เห็นผลในระยะยาวนั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการว่าการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ผ่านความคิดสร้างสารรค์นั้นต้องทําอย่างสม่ําเสมอ ผ่านพลังของครอบครัวครับจึงจะเป็นปัจจัยหลักที่ปลดล็อกความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆได้เราจะสร้างเด็กให้กล้าคิดได้อย่างไดนะครับทั้งท่ามกลางสังคมที่ถูกตีเส้นไว้แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะมีที่มาที่ไปแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนั่นเองครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับกว่าที่เราจะเห็นคุณค่าของความสร้างสารรค์เนี่ยนะครับคําว่าสร้างสารรค์คําว่าสร้างสารรค์หรือว่า creative เนี่ยนะครับเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นในเด็กเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่เขาเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ที่แบบเบอร์นะครับเป็นองค์ความรู้เบสิกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะดูแคลนความสามารถของเด็กๆครับว่าพวกเขาเนี่เติบโตอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยค่อยๆโตค่อยๆโตนะครับไม่ได้ค่อยมีความคิดอะไรมากนักนะครับเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผิดชอบชั่วดีเนี่ยเราก็พิ่งมาหาคํานิยามของความสร้างสรรค์ในเด็ก เมื่อ60ปีก่อนเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะก็คือเมื่อในปีคริสตศักราช1950นะครับมีนักจิตวิทยากวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าพอลทอ o r เรนส์เนี่ยนะฮะเขาเริ่มสงสัยว่าเด็กๆ เ, เนี่ยน่าจะมีพรสวรรค์บางอย่างที่มนุษย์มองข้ามไปเป็นพันๆปีละนะฮะเขาเนี่ยก็เลยหาอาสาสมัครนะครับเยาวชนจานวน400คนเนี่ยนะครับ เพื่อดูว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับมีศักยภาพในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์อย่างไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะคุ้นชินกับงานวิจัยที่สำรวจระดับ IQ ที่ต้องติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะครับจนพวกเขาโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยนะครับแต่นักจิต ว, วิทยาท่านนี้เนี่ยนะครับแปลกนะครับเขาเลือกที่จะทำอีกอย่างนะครับเขาเนี่ยอยากจะดูแล้วก็อยากจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยนะครับมีแนวโน้ม ของระดับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จะเติบโตมาแล้วเนี่ยสร้างผลงานหรือว่าประกอบอาชีพอะไรเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะฮะก็ได้ติดตามชีวิตเด็กๆ เ, เนี่ยนะครับอยู่หลายปีเลยจนพวกเขาเนี่ยเข้าสู่วัยทางานเลยนะครับแสดงว่าติดตามอยู่หลายปีจริงนะครับกับเด็ก400คนพวกนี้นะฮะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ส, สูงในวัยเด็กเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็โตขึ้นเป็นนักเขียนที่มีผลงานตีพิมพ์หลายเล่มเลย นะครับเป็นศิลปินเป็นจิตกรเป็นนักดนตรีเป็นนักโฆษณานักประดิษฐ์ที่สามารถจดสิทธิบัตรได้ด้วยนะฮะไม่ใช่เป็นนักประดิษฐ์เฉยๆนะครับหรือว่าจะเป็นอาจารย์สอนในหลายๆศาสตร์ซึ่งพวกเขาพบว่านะครับเด็กๆเหล่เาเด็กๆที่โตขึ้นนี้เนี่ยนะครับสร้างผลงานได้มากๆเนี่ยนะฮะเด็กๆพวกนี้เนี่ยก็จะมีคะแนนด้านความคิดสร้างสารรค์ สูงกว่า IQ คถึงสามเท่าเลยครับคุณผู้ฟังครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าในระยะยาวนะครับความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมีโอกาสสร้างความสำเร็จในด้านผลงานได้มากกว่าระดับ IQ คิสอีกนะครับซึ่งก็แน่นอนนะฮะสูงกว่าถึงสามเท่าเลยนะครับแล้วก็ เขาก็ได้เก็บเด็กทั้ง400คนแล้วก็เฝ้าดูการจเจริญเติบโตรวมถึงจบมาแล้วมีงานทําจนถึงมีงานทําเลยครับแล้วก็มาบอกว่าเออเป็นยังไงนะฮะซึ่งมันก็เห็นผลได้จริงนะครับจากการวิจัยนี้เองนะครับก็ทําให้เรียกว่าโลกตะวันตกเนี่ยนะครับชาวตะวันตกต้องร้องว้าวกับความคิดสร้างสรรค์นในเด็กเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ค่อนแคะเด็กๆ เ, เลยนะครับว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ เ, เนี่ยเป็นสกิลแบบรองรองเลยแล้วก็ไม่มีประโยชน์มากนักนะครับ สังคมก็เลยมุ่งหวังที่จะสร้างเด็กที่มี IQ อย่างเดียวเลย IQ มี IQ คใครมีไอคิ IQ, ใครมี IQ สูงๆูนี่ก็คือเยี่ยมเจ๋งอัจฉริยะนะครับแต่ลืมไปว่าความคิดสร้างสารรค์นี่ก็เป็นตัวขับเคลื่อนเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยพอผลออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะพ่อแม่เนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะสนใจนะครับแล้วก็ใส่ใจความเป็นศิลปะของลูกๆมากขึ้นนั่นเองนะครับเช่นการที่พวกเขาขีดขีดเขียนเขีย น, น, น, น, นแบบไร้รูปแบบเนี่ยนะครับหรือว่าจินตนาการเนี่ยนะครับ ก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญชิ้นหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าจะปูรากฐานนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญเนาะแม้กระทั่งเนี่ยชาวตะวันตกเนี่ยนะครับที่เคยมองข้ามไปเนี่ยเขาก็ยังต้องกลับมาดูความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆ เ, เลยนะครับซึ่งความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆ เ, เนี่ยเราก็ถือว่าเป็น เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของเขาเนะครับถ้าเราที่ปล่อยให้เขาได้คิดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมของเราเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆคิดแล้วก็ทําด้วยตนเองนะครับผลงานต่างๆรวมถึงกิจกรรมทาด้านการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเด็กๆ ก, ก็จะมีภาวะผู้นําหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรกล้าพูดกล้าทํานะครับกล้าคิดมากขึ้นนะครับสังเกตได้จากหลายๆที่เนี่ยเวลาที่เราพาเด็กออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับก็ จะมีเด็กพวกเราเนี่ยนะฮะที่ค่อนข้างที่จะกล้าพูดและก็กล้าคิดกล้าถามแบบคําถามที่เราไม่ไม่คิดว่าเด็กๆจะถามขึ้นมาได้เนี่ยครับเขาก็กล้าที่จะถามแล้วก็รวมถึงรวมถึงความกล้าแสดงออกแล้วก็มีทักษะในการพูดนําเสนอทุนนี้นั่นเนินนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เป็นทักษะที่โรงเรียนเรานะครับสาธศึกวัตรกรรมของเราเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะบ่มเพาะเด็กๆให้มาออกมาในรูปแบบ แบบ น, น, นั้นนั่นเองนะครับเราเราก็จะไม่ได้ค่อยฟิกว่าเอ้ยคิดแบบนี้ผิดนะคิดแบบนี้ถูกนะเราจะพยายามที่จะให้เด็กเนี่ยพูดคุยนะครับแล้วก็บอกความคิดจริงๆเขามาก่อนแล้วก็เราก็เดี๋ยวจะค่อยไกด์ที่หลังว่าเอออันนี้เนี่ยเด็กๆคิดแบบนี้เนี่ยผลมันจะได้รับเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็จะสอดแทรกไปในหลายๆวิชานะครับที่โรงเรียนเราจัดการเรียนการสอนอยู่นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาพูดต่อในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ น, น, น, นั่นเองนะครับ อันดับแรกเนี่ยนะครับเราก็ต้องแยกเด็กที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดออกมาก่อนว่ากลุ่มนี้เนี่ยครับเราก็จะเรียกว่ากลุ่มเรียกว่า gifted children นะครับพวกเขาเนี่ก็จะเรียนรู้เร็วมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองสูงมีทักษะจำเพาะที่ไม่ใช่ใครที่จะมีได้นะครับอาจจะพูดภาษาที่สองได้นะฮะแม้จะอยู่ด้วยอายุเพียงแค่สี่ขวบนะครับหรือพอเจขวบเนี่ยเขาอาจจะเล่นเพลงโมงสาร์ทได้แล้นะฮะซึ่งโลกของเราเนี่ยนะครับก็จะมี คนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเพียงแค่ 1% เท่านั้นนะครับฉะนั้นเราจึงต้องแยก gifted children ออกมานะครับจาก creative children นะครับเพราะว่าเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนครับฝึกฝนฝึกฝนอยู่เรื่อยๆเลยนะครับโดยอาจจะไม่ได้โดดเด่นทันทีครับแต่เมื่อฝึกฝนนานๆเนี่ยนะครับก็จะมีทักษะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทำบ่อยๆนั่นเองนะครับหรือเราเรียกว่า practice m a k e perfect นั่นเองนะฮะก็ คงไม่ผิดมากนักนะครับ ท, ที่จะใช้คำนี้นะครับ practice makes perfect นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในเรื่องนี้นะฮะในเรื่องความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆนะครับแล้วก็ว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยต้องทำยังไงให้เด็กๆเห็นเนี่ยนะครับในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับ ได้ฟังจนคุ้นชินคุ้นชินคำธรรมดาที่ได้ยินแต่สำหรับฉันยิ่งฟังยิ่งชื่นใจถามกินข้าวหรือยังตื่นให้งดของมันขับรถชชาๆนะค่อยๆไป พักสักหน่อยเรื่องงานนอนจะดึกมากไปถอยคำเป็นร้อยที่เอ่ยเป็นดังคำวิเศษถอยคำพิเศษจากี่ครั้งฟังก็สัมผัสได้ถึงความห่วงใยแค่บางคำวิเศษจากคนพิเศษสิเนกเล็กที่ดูโรแมนติกอยากขอฟังมันอีกจะตายไหม หัวใจมันยอมจะตรงสู่หัวใจหัวใจต้องแปละอะไรให้มากมายบางคำก็ทำให้เพลอต้องแอบยิ้มถามจะกลับเมื่อไรโทรบอกกันนิดหนึ่งเพราะฉันเป็น ดึกมากไปถอยคำเป็นร้อยที่เอ่ยเป็นแต่คำวิเศษถอยคำพิเศษจะกี่ครั้งที่ฟังก็สัมผัสได้ถึงความห่วงใยแค่บางคำวิเศษจากคนพิเศษสิในกล็กที่ดูโรแมนติกอยากขอฟังมันอีกจะได้ไหมโ อ, โ อ, โอ้ไม่มีคำว่ารัก ตอนความอบอุ่นเอาไว้ ได้ถึงความห่วงใยแค่บางคำวิเศษจากคนพิเศษสินนเนกเล็กที่ดูโรแมนติกอยากขอฟังมันอีกเป <D> ็แนแด่คำวิเศษถอยคำพิเศษจากกี่ครั้งฟังก็สัมผัสได้ถึงความห่วงใยแค่บางคำวิเศษจากคนพิเศษสินนเนกเล็กที่ดูโรแมนติกอยากขอฟังมัน ทเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปี2563พุทธปวชปวสม .6 และเทียบเท่าตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครและเงื่อนไขต่างๆได้ทาง www.orig.rmutt.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 02 ห้าสี่เก้าสามหกหนึ่งสามถึงห้าศูนย์สองห้าสี่เก้าสามหกหนึ่งสามถึง้า RMU TT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ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 FM89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีชวนนักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปีแห่งรั้วราชมงคลธั ญ, ญบรุรีร่วมโครงการอวดเก่งเฟ้นหานักจัดรายการหน้าใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสถานีวิทยุของเราลุยเดี่ยวหรือรวมทีมไม่เกินสามคนสร้างสารรค์รูปแบบรายการตามใจเรียกร้องพร้อมสมัครได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีและที่02 691 77 81-2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กลุกุมภาพันธ์เท่านั้นอย่ารอช้ามาร่วมอวดเก่งกัน แล้วครับกลับมาสู่ในช่วงเบรกที่2ของรายการคิดคิดนะครับก็ในช่วงเบรกแรกนะครับเราก็ได้พูดคุยถึงความคิดสร้างสารรค์ไปแล้วนะครับความหมายของความคิดสร้างสารรค์มีผลงานวิจัยของนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะครับที่เขาได้วิจัยมาว่าเอเด็กๆเนี่ยคนไหนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากๆเนี่ยนะครับก็จะมีรากฐานมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพเนี่ยที่มันมีความสําเร็จค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ก่อนที่จะ พักเปกไปเนี่ยนะฮะเราก็ได้พูดถึงว่าเราต้องแยกนะครับแยกระหว่างเด็กที่เป็น gifted เนี่ยนะครับเด็กที่เขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ ม, มาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะครับออกจาก creative c h i l d e n เพราะว่าเด็กพวกนั้นเนี่ยก็จะมีทักษะพิเศษที่เปิดเกิดขึ้นมาเลยนะครับที่บางทีเนี่ยไม่ใช่ใครที่จะมีแบบนั้นได้นะครับก็คือเรียกว่าเป็นคนกลุ่มน้อยที่จะมีทักษะพิเศษแบบนั้นขึ้นแต่เราพูดถึง creative c h i l d e n เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการบ่มเพาะนะครับ หรือว่าการฝึกฝนแบบทำซ้ำๆบ่อยๆจนเขาเกิดความเคยชินแล้วก็เป็นทักษะที่ไม่ได้เป็นอะไรแหวกแนวนะครับแต่เป็นทักษะที่ทำบ่อยๆนั่นเองนะครับก็คือคล้ายๆกับคำที่พูดไปว่า practice makes perfect กันเองนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเราแยกความคิดแล้วเนี่ยฮะก็คือแยกแยกกลุ่มเด็กแล้วเนี่ยเด็กเพราะว่าทาไมถึงแยกเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า มีถังไซโลอยู่มีถังไซโลเก็บทักษะความคิดสร้างสรรได้ไม่เท่ากันครับบางคนเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บตักตวงได้นะครับเก็บตักตวงได้อย่างรวดเร็วเลยแต่บางคนเนี่ยก็โอ้ช้ามากฉันเก็บได้ช้านะ ก, กว่าฉันจะเอามาใส่ในถังของฉันเนี่ยช้านะครับแต่คุณผู้ฟังครับแน่ๆแล้วเนี่ยแน่นอนแล้วเนี่ยว่าทุกคนเนี่ยจะมีมากมีน้อยเนี่ย ยังไงทุกคนก็ต้องมีนะครับในถังแต่ละของขอ ง, ของแต่ละเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีความคิดสร้างสารรค์ตกผลึกตกตะกอนอยู่ตกตะกอนอยู่ข้งางใต้นะไม่ใช่ตกตะกอนตกตะกอนอยู่ข้ง า, างใต้ถังไซเลนะครับก็คือเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่ตุนไว้นั่นเองนะครับไม่ใช่ถังไซโลที่ว่างเปล่าแฮะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับคนที่เป็นพ่อแม่หรือว่าผู้ อ, อกครองเนี่ยนะครับก็ต้องค่อยๆคิด ค, อคอ่คอยๆเติมค่อยๆเสริมให้เขานะครับแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับก็เป็นคนที่สําคัญที่สุด ในการพัฒนาขีดความสามารถของเด็กๆนั่นเองครับถือว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยทุกคนก็ต้องมีถังของตัวเองมีห้องของตัวเองมีถังไซโลมีอะไรของตัวเองเก็บไว้นะครับแต่อาจจะเก็บได้ไม่เท่ากันนะครับเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็นส่วนเต็มๆนะครับให้เด็กๆเนี่ยนะครับเก็บเกี่ยวแล้วก็สะสมนะครับความคิดสร้างสารรค์ของเขาให้ได้มากๆเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ กิจกรรมอะไรบ้างล่ะครับที่สามารถที่จะให้พวกเขาเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมถึงพัฒนาทักษะฝึกฝนต่างๆเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือทําให้การอ่านนะครับเป็นกิจกรรมหลักของครอบครัวครับเพราะว่าเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่าการอ่านเนี่ยนะครับสามารถบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับการอ่านทําให้พวกเขามีทักษะในหลายสาขาครับ หากมีศักยภาพในการอ่านแล้วก็ง่ายขึ้นที่จะขวนขวายทักษะใหม่ๆด้วยเช่นตัวอย่างในสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงคริสตศักราช1990เนี่ยนะฮะถือเป็นยุคทองของนักสึง่งของนังสือเด็กเลยนะครับเพราะว่ามียอดคนรักการอ่านเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของเด็กที่อ่านนังสือกับยอดจดสิิธิบัตรที่เติบโตขึ้นเนี่ยนะครับก็พบว่าสอดคล้องกันอย่างมีนนยะเลยนะครับ ฉันหนังสือจะให้อิสระภาพในการตักตวงความสร้างสารรค์ของเด็กๆครับพวกเขาเป็นผู้เลือกสิ่งที่ต้องการอ่านได้เองเขาก็จะเข้าใจอิสระภาพที่นำมาสู่การที่ไม่ต้องพึ่งพาใครหรือว่ารู้สึกเป็นไทยในการตัดสินใจ i ิน Independence เป็นอิสระนั่นเองนะฮะการอ่านจึงต้องเป็นกิจกรรมที่ต้องทำบ่อยๆครับเด็กๆควรเห็นพ่อแม่ร่วมกิจกรรมนี้เช่นกันนะฮะ หากเขาเห็นพ่อแม่ในการเขาเห็นพ่อแม่อ่านหนังสือนะครับก็จะยิ่งเสริมความคุ้นเคยแล้วก็เรียนแบบที่จะอ่านมันโด ย, โดยเต็มใจแล้วก็โดยความสมัครใจนั่นเองนะฮะฉะนั้นกิจกรรมการอ่านเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนอกจากโรงเรียนที่ส่งเสริมการอ่านแล้วเนี่ยนะครับครอบครัว ก, ก็ถือว่าสําคัญนะครับเขาถ้าเด็กเด็เห็นพวกเราอ่านหนังสือบ่อยๆเนี่ยเขาก็น่าจะสงสัยแล้วก็เรียนแบบพฤติกรรมเราได้นะฮะหรือว่าให้เขาเนี่ยไปเลือกหนังสือเล่มไหนที่เขาอยากอ่านนะครับเพราะว่าทุกหนังสือเนี่ย ก็จะเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยมีความรู้หรือว่ามีอะไรที่มันสอดแทรกอยู่แล้วเนาะยิ่งเขาถ้าเขารักการอ่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้นะครับให้เขาอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะนอกจากกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านแล้วนะครับเป็นกิจกรรมของครอบครัวที่เกิดขึ้นในครอบครัวง่ายๆแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีกิจกรรมกลุ่มนะครับที่เสริมความยุติธรรมนั่นเองครับกิจกรรมกลุ่มนะครับเราเรียกว่า เวลาเรานึกถึงจังหวะที่เรียกว่าอ๋อคิดออกแล้วนะครับหรือว่ายูเรกานั่นเองนะครับก็ต้องนึกถึงนะครับคำพูดที่ไร้ความหมายขณะที่เขานอนแช่อ่างอยู่มันจะมี เ, เขาเรียกอะอะคิมิเดสนะครับอะคิมิเดสเนี่ยเป็นเจ้าของคําพูดไร้ความหมายขณะที่เขานอนแช่อ่างอยู่ในอ่างอาบน้ําคนเดียวนะครับภาวะยูเรกานั้นเนี่ยไม่มีปีไม่มีกลุ่ยเลยจะมาวันไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับพวกเราเนี่ยอาจจะมีภาวะนี้นะครับเมื่อปลีกวิเวกมาทําอะไรอยู่คนเดียวมีสมาธิท่ามกลางความสันโดษ แต่สําหรับเด็กนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยไม่บังเกิดอยู่ดนกลางง่ายๆครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรคือไอเดียที่ใช่ที่สุดครับไอเดียที่ใช่ที่สุดขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ดังนั้นการที่เด็กๆมีปฏิสัมพันธ์กลุ่มทํางานเป็นทีมนะครับก็จะทําให้เด็กๆ เ, เนี่ยมีโอกาสสร้างไอเดียบางอย่างที่แสนวิเศษมาให้กับทุกคนมากเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นเนี่ยบรรดาผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะสนใจนะครับอาจจะสนใจสนใจอะไรสนใจ ความความ เ, าเขาเรียกว่าอความอัจฉริยะแบบปัจเจกหรือว่าความอัจฉริยะส่วนตัวนะครับหรือว่า individual g e n i s นะฮะงานศึกษาพัฒนาการของเด็กในรอบ10ปีให้หลังเนี่ยพบว่าการมีส่วนร่วมนะครับหรือว่า collaboration เนี่ยนะฮะของเด็กๆ เ, เนี่ยมีแนวโน้มที่จะสร้างสรรค์อะไรก็ได้นะครับมากกว่าที่ตัวเขาคาดหวังไว้เพราะว่าพวกเราเนี่ยครับต่างร่วนทำงานอย่างเดียวดา ย, ดยจนมีไอเดียที่จากัดอยู่ปริมาณหนึ่ง โดยอาศัยมุมมองด้านเดียวมีมิติเดียวมองในด้านเดียวนะครับการที่มีส่วนร่วมของคนอื่นช่วยด้วยเนี่ยจะให้เห็นไอเดียที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายและก็มีมิติที่ว่าแยบยนต์เจริญจนเป็นผลึกที่สวยงามนะครับกลับไปต่อยอดความคิดของพวกเราอีกครั้งนะครับในสภาพแวดล้อมของเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยการทํางานร่วมกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้นนะครับกลับมาบ้านก็ไม่ค่อยได้มีการต่อยอดเพิ่มเติมนะครับ เพราะว่าขาดการเพิ่มแรงต่อเนื่องจากพ่อแม่นั่นเองนะครับซึ่งการโยนภาระหให้โรงเรียนเนี่ยก็จะดูการเป็นการปัดความรับผิดชอบกันไปเนาะฉะนั้นกิจกรรมกลุ่มที่บ้านเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับก็สามารถใจะให้เด็กๆเนี่ยเกิดความยูเรกาขึ้นมาได้นะครับเกิดเสียงอยูเรกาขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นทัศนคติที่ดีของพ่อคุองแม่เนี่ยครับก็ควรเปลี่ยนเพื่อสร้างเด็กนะครับให้มัน สร้างสารรค์ด้วยนะฮะให้เด็กเกิดความสร้างสารรค์ด้วยนะครับถ้าถ้าตั้งใจแล้วว่าจะสนับสนุนให้เด็กมีความคิดสร้างสารรค์นะครับการบังคับให้พวกเขาเนี่ยต้องได้เกรด A ก็แทนไม่จะไม่ต้องมีความจําเป็นเลยนะครับเกรดในห้องเรียนเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงเครื่องมือความสําเร็จที่จะดีสําหรับเด็กที่มีความคิดสร้างสารรค์นะครับแม้คุณจะแย้งว่าการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะต้องใช้เกณฑ์ใช้เกรดเด็กก็ตามนะครับแต่เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับ อาจจะไม่ได้ทำได้ดีทุกวิชาแบบสม่าเสมอแต่พวกเขาเนี่ยจะมีเกรดขึ้นๆลงๆตามความตามแต่ละวิชาที่เขาถนัดนะครับซึ่งก็ไม่ได้ตามเตี้ยเรียรินทุกวิชาเสียทีเดียวนะครับพวกเขาก็จะใช้แสงในวิชาที่ถนัดนะครับแล้วก็มวีวิชาที่ทำได้ดีมากๆกับวิชาที่ไม่ได้เรื่องก็จะมีประปนกันไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะครับพวกเขาก็จะ แทนที่พ่อแม่เนี่ยนะครับก็จะกดดันเด็กๆเนี่ยครับต้องทําให้ได้ดีทุกวิชาเลยนะเฮ้ยแกต้องเรียนให้ได้เกรดเอหนึ่งนู้นอย่างนี้นะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับการเสริมแรงบวกนะครับในวิชาที่ทําได้ดีแล้วก็สนับสนุนเขานะครับในให้เขาในเขาสังคมแต่เด็กๆนะครับเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้แชร์ทักษะนี้ร่วมกับคนอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็เห็นความปรับเปืองของคนอื่นๆในขณะที่อายุเขายังน้อยด้วยนะครับคำถามเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะย้อนกลับมาถามผู้ใหญ่อย่างเราว่าพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์แล้วหรือยัง เราจะทําอะไรซ้ําๆแบบเติมตามแผนหรือถูกวัดผลแบบวัน size f i t ออ l กับทุกสิ่งแล้วเราก็นําสิ่งนั้นมาวัดผลเด็กๆต่อหรือไม่นั่นเองนะฮะทำให้กลายเป็นกระบวนการทําซ้ำซากการเรียนรู้ที่ไม่มีไม่ได้พาเราไปไหนไกลนะครับทั้งทั้งที่กระบวนการกา ร, การคิดสร้างสารรค์เนี่ยต้องใช้เวลาการเติบโตในใจของบู้คนตลอดช่วงอายุครับฉะนั้นในที่สุดแล้วคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก็สามารถสร้างความสร้างสภาพแวดล้อมและก็ความคิดสร้างสารรค์ร่วมกันได้ด้วยนั่นเองนะครับ ด้วยการเสริมสร้างไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับเพื่อดูการเจริญเติบโตของเด็กๆเพราะธรรมชาติเองก็จําเป็นต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันนะครับและวันนี้นะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับกับประเด็นที่อยากให้เด็กคิดอย่างไรอยากอยากให้เด็กคิดสร้างสรรค์อย่างไรผู้ใหญ่ต้องทําให้เห็นก่อนนั่นเองนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆนะครับจากเอ่อเว็บนะครับ The Master นะครับสําหรับการ ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็บทความต่างๆที่น่าสนใจให้วันนี้นะครับให้ไอซ์เนี่ยได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจติดตามพวกเราด้วยนะครับกับช่วงเวลาเดิมช่วงนี้เลยนะครับในทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับแปดนาเออไม่ใช่8ปดสิสิบแดนาฬิกถึงสิบแนานทีะครับและมาพบกับไอซ์ในสัปดาห์หน้าได้ใหม่นะครับกับคิดๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย